ยังไงสบาดีนะไปอินเดียยังไปกุมาครับกุมพาครับ ค, นะคิดว่าจะไปไปดูอะไรไคริดว่าจะไปดูอะไรไปอาจารย์ศิลปะอ๋อเดี๋ยวเอาเอาซองไว้ตรงนู้นจ้ะซองตร อ, องไว้ตรงนะั้น เลขทีมาจากที่ไหนทำในมิตรที่ชนบุนนะาานรีลูกน้องมาจกหัวนะมาจหัวลูกน้องกัลูกศิษย์ลูกนร้อ็งไปกี่วันไวันที่หนึ่งถึงแปดค่ะแปดน่ มีโปรแกรมอะไรบ้างไปปฏิบัติปฏิบัติทั้งวันเลยค่ะไม่มีโปรแกรมอะไรเลยค่ะไปที่ไปที่พุทธคยาที่เดียวค่ะแล้วก็พระอาจารย์จะพานั่งสมาธิทุกวันเลยค่ะอนั่งที่นี่ไม่ได้ต้องไปนั่งที่นน้นนั่งที่นี่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเปลบรรยากาศนิดหน่อยเลบรรยากาศนีดหน่อยค่ะ มันไม่ขังเลยแตอยาไปครั้งแรกอ่ะคุณพาไปเหมือนกันแต่าไปดูตรงที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดอ่ามันก็เหมือนตรงนี้แหละมีต้นไม้มีอะไรอยังไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าเชื่อแต่อยากจะไปอยากจะไปเห็นที่ที่พระพุทธเจ้าอา พุทธกิยานี้เป็นที่ตัดสั่นู้ใช่ไหมอ่าตัดสั่นสังเว ช, ชน์ชนี้สถานสี่ที่ประเสริฐที่ตัดสั่นู้ที่สแสดงธรรมครั้งแรกและที่เสด็จดับขันธ์ปารณิพานเป็นสถานที่สี่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเชาวพุทธมีโอกาสก็นควรจะไป ก็จะเสริมศรัทธาความเชื่อให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นจะได้ไม่ดังเลยสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าการตัดสินของพระพุทธเจ้าเป็นจริงหรือเปล่าพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้สแสดงเองหรือเปล่าแล้วก็การจากไปของพระพุทธเจ้า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 พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นเราตถาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรคือพระอริยสัจสี่ถ้าผู้ปฏิบัติเด้งใจเข้าข้างในได้ผู้ปฏิบัติก็จะเห็นพระอริยสัจสี่แล้วก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ เป็นของจริงเป็นคนจิเป็นผู้ที่ตัดสัรูปพระอริยสัจ ส, สีจริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมแะผู้ที่เห็นตถาคตเห็นธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคือพระอริยสงสาวกนั่นเอง พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมาพบกันในที่เดียวกันในใจของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติศีลสามาธิปัญญาพอจิตรวมเข้าสู่ภายในก็จะเห็นอริยสัจ ส, สเห็นความทุกข์ใจเห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเห็นการดับของความทุกข์ใจ แะเห็นวิธีที่จะทําให้ทุกข์ดับอันนี้จะมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่ตอนนี้พวกเราไม่เห็นกันเพราะใจของเราออกไปเที่ยวข้างนอกกันไปหารูปเสียงกล็ดนสดกันไปเห็นรูปเสียงกลด็ดนสดแล้วก็ไปยึดไปติดกับรูปเสียงกลด็ดนสดเลยไม่เห็นพระธรรม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 เพราเราอยากให้เขาหายไปแต่เขาไม่หายเขาอยู่ต่อเราไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ว่ามันอยู่ที่ความชอบความชังของเรานี้เองเวลาเราชอบอะไรเราก็ทุกข์เพราะเรากลัวเขาจะจากเราไปเช่นเงินทองนี่เราชอบไเราทุกข์กับเงินทองห เรากลัวว่าเงินทองจะจากเราไปหรือไม่หรือเวลาเงินทองจากไปเราดีใจหรือเสียใจเราทุกข์ใจแต่เราไม่ว่าตน้นเหตุของความทุกขใจของพเราเพียงที่ความยาให้เงินทองมีของเราไป ได้แบบขอทานนี้เขาไม่มีเงินทองเขาก็อยู่ได้เขาก็อยู่แบบขอทานไปพอมืกินมื้อไปตางในต่างกันนึ่งผัสเจ้าที่บวชท่านก็ไม่มีเงินทองถ้าท่านทํานไม่ถูกขันก็เพราะว่าท่านไม่มีความอยากได้เงินทองไม่มีความอยากให้เงินทอง อ, อยู่ ท่านเป็นอนานเราจะไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ของพวกเราถ้าเราไม่เข้าดึงใจเข้าข้างในและเมื่อเราไม่ดึงใจเข้าข้างในไม่เห็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจเราก็จะไปแก้ต้นเหตุที่ปลายทะที่ปลายเหตุไม่ใช่ที่ต้นเหตุเราทุกข์เพราะเงินเราก็รีบหาเงินกันใหญ่ลยกลัวเงินมันจะหมดกลัวเงินจะไม่พอใช้ ก็นั่งตาตั้งหน้าตั้งตาพยายามหาเงินหาทองกันอหาก็ทุกข์ก็ไม่รู้กับว่าทุกข์ก็หาเงินทุกข์เพราะอยากได้เงินอยากมีเงินพอได้มาแล้วก็ทุกข์กับการที่จะต้องเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนดีกลัวจะหายอีกเี่แทนที่เราจะมาแก้ที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจ คือความอยากได้เงินความอยากไม่เสียเงินนี่ก็อยากไปมีเงินเถอะอยากไปใช้เงินเถ่ะถ้าเราไม่ต้องพึ่งเงินทองเราก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเงินทองอย่างพระสงองค์เจ้าท่านมาบวชท่านไม่ต้องพึ่งเงินทองพระพุทธเจ้าให้พระมาพึ่งพระธรรมให้พึ่งการศึกษาพึ่งการปฏิบัติธรรม เพราะการศึกษาการปฏิบัติธรรมจะทำให้ใจได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงก็คือความสมมงบที่เป็นธรรมังสระนังกระฉามิเพราะเวลาใจสมมงบแล้วใจจะมีความสุขมากยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งล้วก็จะไม่หิวไม่หยไม่อยากได้อะไร ไม่มีเงินก็ไม่เดือดรอนเพราะไม่อยากจะซื้ออะไรอพราอใจมีความสุขจากความสงบนี้แล้วก็เลยไม่ต้องพึ่งเงินทองเงินทองเลยไม่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราทุกข์กันเอความจริงเงินทองไม่ได้เป็นต้นเหตุให้เราทุกข์แต่ความอยากได้เงินทองความกลัวจะเสียเงินทองไป อันนี้ต่างหากที่ทำให้เราทุกข์กันแล้วก็ทำยังไงมันก็หนีไม่พ้นสักวันหนึ่งก็ต้องจากเงินทองที่เรามีกันไปเวลาเราตายนี่เงินทองที่เรามีอยู่เราก็าไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเราจะไม่เห็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราว่ามันอยู่ที่ความอยากของเรา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 ดังั้นถ้าเราอยากจะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราเราต้องดึงใจเข้าข้างใ น, นการนั่งสมาธิเนี้เป็นการดึงใจเข้าข้างในเพรเราจะต้องปิดทวารทั้งห้าไม่ให้มันออกไปข้างนอกไม่ให้ไปออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายพอปิดตาแล้วก็ดึงใจด้วยพุทโธพุทโธคือสติเนี่ยดึงใจด้วยสติ ใจก็จะถูกดึงเข้าข้างในถ้าใจสู้กับความอยากสู้กับกิเลส ท, ที่จะคอยดันให้ใจออกไปข้างนอกได้ใจก็จะสงบถ้าสู้ไม่ไหว ใ, หใจก็ไม่สงบนั่งแล้วก็อดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่ได้แสดงว่าใจเริ่มไปข้างนอกแนละ้วความคิดนี่แหละเป็นตัวที่จะดึงใจให้ออกไปข้างนอก เราคิดถึงคนนั่นคนนี้ก็อยากจะไปหาเขาแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะไปแล้วถ้าสติคือพุโทโธของเรามีกําลังไม่มากก็นั่งไม่ได้นั่งในเดี๋ยวเดียวก็ต้องลุกแล้วรู้สึกเกิดอัดต้องลุกขึ้นไปดูไปฟังไปทําอะไรไปดื่มไปรับประทาน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 กับมีความสุขเวลานั่งสมาธิแล้วจิตสงบจิตรวมจิตจะมีความสุขมากเพราะตอนนั้นความอยากในรูปเสียงกิ่นรสต่างๆมันหยุดไปชั่วคราวด้วยอานาจของสติที่ไปหยุดความคิดความคิดเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอคิดถึงอินเดียก็อยากไปนะใช่คิดถึง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 พอใจสงบแล้วก็บอกเอ้ที่นี่ก็นั่งได้เนี่ยว่าทำไมต้องไปนั่งที่อินเดียด้วยที่นี่ก็สงบได้เหมือนกันทําไมต้องอุตส่าห์ถอดสังขารนั่งกายไปนั่งถึงที่อินเดียกันคนไม่มีสตังก็นั่งไม่ได้สิถ้าถ้าถ้าถ้ามันจะสงบที่อินเดียคนที่ไม่มีสตางไปนั่งที่อินเดียก็สงบไม่ได้เนี่ยมัน ความคิดมันจะหลอกเราให้ไปนู่นอยู่ที่นี่ก็หลอกให้ไปนู่นพอไปถึงที่นั่นก็อยากจะกลับบ้า น, นยอยู่ไม่ได้กี่วันกคคิดถึงบ้านนะคิดถึงไหนะเวลาอยู่บ้านไม่คิดถึงบ้านเหใช่ไหคิดถึงอินเดียพอไปถึงอินเดียก็จะมาคิดถึงบ้านนะก็กลับมาหาบ้านอีกกลับไปกลับมาอย่างเ ง, งี้ยจิตมันหลอกเราอยู่ตรงนี้ก็จะคิดถึงตรงนู้น พอไปตรงโน้นก็จะคิดถึงตรงนี้หลอกไปหลอกเราไปหลอกเร า, ามาอย่างเงี้ยกิ้งไปกิ้งมาไม่มีวันที่จะหยุดถ้าเราไม่หยุดมันด้วยสติถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธนี่เราจะคิดอะไรไม่ได้ถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันนี่มันจะคิดอะไรไม่ได้มันจะคิดแต่พุโทโธอย่างเดียวแล้วมันก็จะอยู่ที่ ท, ที่นี่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ จะไม่รู้สึกอึดอาจใจจะไม่รู้สึกอยากจะไปนูน่นอยากจะไปนี้เพราะมันไม่ได้คิดถึงสถานที่นั้นที่นี่นั่นเองมันอยู่ตรงนี้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปมันก็จะเย็นจะสบายมีความสุขแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปตรงนู่นทำไมใช่ไหมในเมื่อเราอยู่ตรงนี้เรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปตรงนู่นกันที่เราไปตรงนู้นกันเพราะใจเราคิดว่าตรงนู่นดีกว่าตรงนี้น กคิดว่าดีกว่าอะไรต้องไปแต่พอไปถึงก็บอกอมันก็เหมือนกันกลับบ้านดีกว่าเสียเงินเปล่ า, าเอาเงินไปทาบุญดีกว่าเสียเงินค่าตัว๋วค่าอะไรต่างอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามมาพูดเป็นยกเป็นตัวอย่างให้ฟังเพราะความคิดเหล่านี้มันจะทำให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมา เราทาให้เราอยู่ไม่เป็นสุขกันถ้าเราอยากจะอยู่ให้เป็นสุขเราอย่าให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับพุทธโธไปพุทธโธไปหรือเปลี่ยนเป็นพุทธังสรนนังกาฉามิก็ได้เปลี่ยนเป็นบทสวดมนต์บ้างก็ได้ถ้าเราเบื่อพุทธโธก็เอาอย่างอื่นก็ได้เอาบทสวดมนต์เอาพุทธเอาพระสูตรที่เราท่องได้ธรรมจักรปวัตตนสูตรหรืออะไรก็ได้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 กำลังสร้างความทุกข์ให้กับเรานะอยู่ตรงนี้ดีอยแล้วอยากไปนู่นขึ้นมาปั๊บใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีเราก็ต้องหยุดความอยากอ่ะไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีพอหยุดความอยากปั๊บใจก็เย็นสบายเหมือนเดิม <c oughs> เนี่ยจะเห็นเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นธรรมเห็นด้วยการดึงใจเข้าข้างในดึงด้วยพุโทโธพุโทโธเข้ามา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 สังคคุณสุปฏิปันโนอุจุญายะสามีจิปฏิปันโนเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะทำให้เราได้เห็นธรรมเห็นธรรมแล้วเราก็จะสงหายสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงทรงนำามามาเผยแผ่ให้กับพวกเราเหมือนกับเราไปอินเดียเนี่ย นอกจากไม่สงสัยถ้าเราไปถึงที่นั่นแล้วเราไปเจออินไปเจอประเทศอินเดียเราก็เชื่อว่าคนที่มาบอกเราเนี่เขาเคยไปมาแล้วนะที่ที่เขาบอกว่าอินเดียเนี้มีจริงหรือไม่จริงพอเราไปถึงประเทศอินเดียเราก็เห็นว่ามีจริงมีประเทศอินเดียคนที่มาบอกเราว่าประเทศอินเดียมีอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็เชื ก็รู้ว่าเป็นคนจริงๆไม่ได้เป็นสิ่งที่ใครกุขึ้นมาแต่งขึ้นมาเหมือนนิยา ย, ยบางคนยังคิดว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นนิยายถ้าธรรมที่สอนเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงเราจะเห็นเวลาที่เรา ทำใจให้สงบดึงใจให้เข้าข้างในเราจะเห็นเลยว่านารกก็คือนรกกับสวรรค์ก็คือใจของเรานี้ที่ร้อนหรือที่เย็นใจเย็นใจก็เป็นสวรรค์ใจร้อนก็เป็นนรกแล้วใจที่ไปเวียนว่ายตายเกิดก็ใจนี่แหละที่อยู่ไม่เป็นสุขใจที่มีความอยากมันก็อยู่ไม่อยู่เฉยเฉยไม่ได้มันก็จะต้องไปนู่นมานี่อยู่เรื่อยๆ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 และพรนิพพานที่สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงไม่ใช่เป็นของทีเ่เขาแต่งกันขึ้นมาหลอกเราให้ทำบุญไปโดยที่ไม่มีผลตอบแทนเพราะคนที่เ็เห็นว่าทำบุญแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วไม่ได้ไปนรกเพราะเขามองไปที่ร่างกายว่าเป็นตัวเราเป็นผู้กระทำ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 ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นผู้ที่รับรู้คือใจร่างกายเป็นเพียงเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปนเี้ที่ถ่ายภาพมาแต่คนที่รู้ภาพไม่ใช่กล้องใช่ไกล้องมันไม่รู้ว่ามันถ่ายภาพอะไรมาแต่คนถ่ายนะรู้รู้ว่ากาลังถ่ายภาพคนนั้นภาพคนนี้แต่กล้องนี่มันไม่รู้ละจะให้มันไปถ่ายอะไรตรงไหนมันก็ถ่ายมาหมด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 มีห้าวิญญาณด้วยกัน <c oughs> วิญญาณทางตาเราก็เรียกว่าจักขุวิญญาณคาว่าวิญญาณก็คือผู้รับสิ่งที่รับรู้ <c oughs> วิญญาณคือสิ่งที่รับรู้รูปกอเรียกจักขุวิญญาณสิ่งที่รับรู้เสียงก็เรียกว่าโสตะวิญญาณยังมีห้าทางด้วยกันก็เปรียบเหมือนกับเราเอาเอาสายไปเสียบที่เครื่อง เครื่องเครื่องขย้ายเครื่องเครื่องโทรศัพท์เนี่ยเสียบแล้วก็เอามาใส่หูเราก็จะได้ยินเสียงจากเครื่องโทรศัพท์มีห้าสายด้วยกันที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายกับใจคือวิ ญ, ญญาณทั้งห้าพอพอตาไปเห็นภาพปัพ๊บมันก็ส่งไปที่ใจเลยพอใจเห็นใจก็รู้เลยว่า อ, อ๋อภาพนี้เป็นภาพอะไร ถ้าไม่รู้ก็เป็นเพราะว่ายังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ถ้าภาพที่เคยเห็นแล้วก็จะจําได้ทันทีเห็นคนนีเออ้เคยเห็นคนนี้แล้วก็จําได้ว่าชื่อนั้นชื่อนี้แต่เห็นคนที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็ต้องถามเขาว่าเป็นใครชื่ออะไรมาจากที่ไหนเนีย่ยผู้ที่ถามผู้ที่คิดเนี่ย ผู้ที่รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายใจที่ส่งวิญญาณทั้งห้านี้มาเชื่อมกับร่างกายตอนที่ตั้งท้องอยู่ในคันเนี่ยพอมิได้เริ่มมีตาใจมันก็ส่งวิญญาณมาที่ตาพอมีหูมันก็ส่งวิญญาณมาที่หูพอทอดออกมามันก็เลยรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสได้แล้วก็ใช้ร่างกายนี้ พาใจไปทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจที่ใจมาเกิดเพราะใจยังมีความอยากอยากอะไรก็อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสนี่เวลาได้เห็นได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานแล้วใจก็มีความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขแบบยาเสพติดสุขเดียวๆสุขตอนที่ได้เสพพอ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 ร่างกายนอนเฉยๆไม่ได้ใช่ตาหูจมูกริ้นกายแต่ใจเราก็ยังเห็นได้ใช่ไ้ยเห็นนู่นเห็นนี่เห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นเรื่องนั้นเห็นเรื่องนี้เห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ถ้าเห็นสิ่งที่ดีทำให้มีความสุขก็เรียกว่าฝันดีเป็นสวรรค์เป็นผลจากการทำบุญทำความดีถ้าเราไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นเรื่องที่ทำให้เราตวาดกลัวตกอกตกใจ ว่าดเสียวอะไรต่างๆหรือทุกทรมานใจก็เป็นผลจากการทําบาปของเราเลยตอนที่เรานอนหลับนี่เราจะเห็นหนังตัวอย่างของนรกกับของสวรรค์พอเราจะเห็นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วพอตื่นขึ้นมาเราก็กลับมาสู่ที่ร่างกายนี้แต่เวลาที่ไม่มีร่างกายนี้มันจะฝันยาวเลย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 เพรใจนี้เป็นร่างทิพย์ร่างทิพย์นี่ก็สามารถสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่เป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ในเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราไม่ได้ใช้ร่างกายแต่เรายังฝันว่าเราไปกินนูน่นกินนี่ได้ไปเห็นนูน่นเห็นนี่ได้ไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆได้นั่นแหละตอนนั้นเรากําลังเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กัน ถ้าไปเสพเรื่องที่ดีทําให้เรามีความสุขก็เรียกว่าเป็นสวรรค์เป็นผลจากบุญที่เราทําถ้าเราไปเสพกับเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจให้เราหวาดกลัวให้เราทรมานใจก็เรื่องก็เรื่องของนรกเรื่องของอบายที่เป็นผลของบาปที่เราทําอันนี้คือช่วงที่เราลอมให้มามีร่างกายอันใหม่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 ตอนเหตุที่ทําให้เราทําบุญทำบาปก็คือความอยากต่างๆนี่ที่มีอยู่ในใจจนการเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าชอ บ, บพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนพวกเราว่าการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเรานี้อยากอยากได้ลูกเสียงกลิน่นนสดอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ มันก็เลยทำให้เรามาเกิดกันมามีร่างกายกันพอได้ร่างกายแล้วมันก็จะใช้ร่างกายไปหาลูกเสียงกินรดกันไปหาคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้กันแล้วพอร่างกายตายไปมันก็ไปรับผลของบุญของบาปที่ทำไว้แล้วก็ไปรอเอาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาทำาบบนแบบนี้อีกถ้าเราไม่อยากจะทำแบบนี้ซ้าแล้วซ้าเล่า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 ท่านเรียกว่าใจที่อิ่มที่สบายนี้ว่านิพพานไงใจที่มีความอิ่มมีความสุขปรมังสุขขังบารมมาสุขถ้ามีบารมมาสุขแล้วก็ไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ไม่จำเป็นจะต้องกลับมาเกิดใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสารกท่านหยุดความอยากได้แล้วท่านตัดความอยากทั้งหมดได้แล้ว ยิ่งทำให้ใจของท่านอิ่มตลอดเวลาก็าเลยไม่มีความอยากจะมาเกิดมามีร่างกายเพราะไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นนสนันก็มาสอนพวกเราว่าถ้าไม่อยากจะมาเวียนว่าตายเกิดก็มาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญศีนสมาธิปัญญากันเพราะนี่เป็นวิธีที่จะทําลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจ การรักษาศีลก็เป็นการห้ามความอยากเช่นวันพระนี้ถือศีลแปดกันก็จะห้ามความอยากนอนกับแฟนห้ามนอนกับแฟนอยากนอนก็นอนไม่ได้อยากจะกินข้าวเย็นก็ไม่ให้กินเพราะกินมากเกินไปกินสองมื้อก็พอมื้อที่สามนี้มันกินด้วยความอยากมันไม่ได้กินด้วยความจำเป็นให้กินเท่าที่จำเป็นก็พอกินมื้อเดียวแ้วกินสองมือ้อ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 ใจก็จะอิ่มจะพอใจก็จะเป็นนิพพานใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อันนี้เราจะรู้ได้แต่เมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าแต่นีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้วิธีหยุดการเวียนร่ายตายเกิดได้หยุดความแก่ความเจ็บความตายได้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 ฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวที่ให้ถึงศีลแปดจะได้มีเวลามาฟังเทศมานั่งสมาธิกันถ้าไม่ถึงศีลแปดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันล้วทำไมวันนี้ถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวเย็นนี้ก็ชวนไปเที่ยวไปกินเลี้ยงก็ไปกันละ่ะชวนไปดูหนังฟังเพลงก็ไปกันละ่ะแต่พอถือศีลแปดก็ไปไม่ได้ต้องมาอยู่วัดกัน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 ทาวรคือบรลมรสุขความสุขของพระนิพพานอันนี้มีคุณค่าราคามากกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ยังดับความทุกข์ไม่ได้ดับหยุดความอยากไม่ได้มีเงินนี้หยุดความอยากไม่ได้กลับสนับสนุนความอยากใหญ่ยิ่งมีเงินยิ่งอยากซื้อนู่นซื้อนีน่ยิ่งอยากใช้นู่นใช้นี่ยหญ่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 แต่คนที่จนนี่ไปบวชได้เลยใช่ไหมไม่มีเงินสบายไม่ต้องห่วงเรื่องเองินเรื่องทองไปบวชได้แล้วดูครูบาอาจารย์เนี่ยลูกคนยากคนจนทั้งนีน้ลูกชาวนาชาวไร่พ่อแม่ไม่มีเงินทองส่งไปเรียนหนังสือก็ส่งไปอยู่วัดหลวงปู่มั่นเนี่ยไปบวชเน้นตั้งแต่เด็กพ่อแม่เป็นชาวนาชาวไร่ไม่มีปัญญาส่งเสียให้ไปเรียนหนังสือก็เลยส่งไปเรียนที่วัดไปบวชเป็นสามเณร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 เสียสละยินดีชอบทําบุญชอบทําทานแม้แต่ลูกใครมาขอก็ยังยกให้เลดีเทวดามากันไว้ไหมเหมือนจะมีคนมาขอมีอ่เทวดามาป้องกันไว้ก่อนเพราะท่านมีศรัทธาท่านมีความสุขจากการทําบุญทําทานแต่ถ้าคนชอบใช้เงินใช้ท อ, องนี้จะไม่ชอบทําบุญนะ เสียดายเงินเอาเงินมาเที่ยวดีกว่าเอ า, เอาเงินมาซื้อคอนโดดีกว่าเอาเงินมาซื้อเครื่องบินซื้อรถเบ็ดดีกว่าเอาเงินมาเที่ยวดีกว่าเรื่องอะไรมาทำบุญะทำก็ทำพอหอมปากหอมคอนั่นแหละไม่ได้ทำแบบจริงจรงจังๆหรอกวงนี้ก็จะไม่มีวันที่จะไปบวชได้ไปปฏิบัติทรรได้ไม่มีเวลาไปปฏิบัติเพราะจะ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 คนจนนี่มันไม่รู้จะไปไหนมันบวชดีกว่าบวชนี่ไม่ต้องใช้เงินใช่ไ้ยบวชแล้วก็อยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่างมีเวลาปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลารักษาศีลได้ตลอดเวลาถ้าเกิดมาเป็นลูกคนรวยก็ต้องดูแลสมบัติของพ่อแม่ที่เขาให้มาออกใช่ั้มก็ไปบวชไม่ได้โอกาสดันดีที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็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 ต่างๆถ้าเงินทองหมดก็จะทุกได้แล้วก็ยังทำให้เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่แต่ถ้าเราได้เพชรของพระพุทธศาสนาได้พระพุทธได้มีดวงตาเห็นธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดอันไหนจะดีกว่ากันไม่มีใครจะตัดสินใจให้กับเราได้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 เดินทางไปเองถึงจะไปถึงเพียงแต่ต้องมีแผนที่ถึงจะไปได้ถูกต้องถ้าไม่มีแผนที่ก็ไปผิดทางได้หลงทางได้<ม>ต้องมีแผนที่ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยสอนคอยบอกคอยชี้แนะ<ม>เวลาไปทางผิดท่านก็จะบอกว่าไม่ใช่ทางนี้เอ่าเป็นไปอินเดียนี่ไม่แน่ใจว่าไปถูกว่าไปผิด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 ไปก็เสียเวลาเดินถอยหลังแทนที่จะเดินก้าวหนะ้าคนที่ภาวนาได้ปิกวิเวกได้แล้วคนที่ไปอยู่ในป่าในเขาได้แล้วอย่าไปไปแล้วเหมือนกับเดินถอยหลังอย่างกูบาอาจารย์ทั้งหลายถ้าไม่ได้ไปกันทั้งองค์นะหลวงปู่มันน่นท่านก็ไม่เคยไปอินเดียหลวงตามหาบัวท่านก็ไม่ได้ไปอินเดียเพราะว่าท่านรู้ว่า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 ว่าต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อย่าไปให้เสียเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดีกว่าไปหาที่สงบดีกว่าไปที่นู่นก็คนเป็นร้อยเป็นพันไปนั่งอยู่รอบเจดีย์นู่นเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> มันจะไปสงบได้ยังไงมันต้องไปปีกเว้เวต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เขา ไปทุ่งงกันไงเก็เไปทุ่งงในป่ากันไม่ใช่ไปทุ่งงที่อินเดียอ่า mm hmm. ทุ่งงในป่าในเขาที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห่างไกลจากคนนั้นคนนี้ mm hmm. พออยู่ใกล้คนแล้วจิตมันเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วเ mm hmm. นีมันคนก็นวิภาควิจารณ์คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ mm hmm. ใจก็ไม่มีนั่งสมาธิก็ไม่มีวันจะสงบจะรวงได้ ต้องไปอยู่ห่างไกลเนี่ยไปอยู่คนเดียวในป่านี่มันไม่มีเรื่องให้วิาพากวิจารณ์ไม่มีเรื่องให้คิดกันพอให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็อยู่กับพุโทโธไปแล้วเดียวเดียวมันก็รวมเข้าสู่สมาธิได้แล้วมันก็จะเห็นอริยสัจสี่ขึ้นมาทันทีอนี่คือเรื่องของการไปอินเดียหรือไม่ไปอินเดียดีังต้องดูฐานะของเราเหมือนกับถ้าเราเรียน เราเรียนจบม .6 แล้วเราไม่กลับไปเรียนที่โรงเรียนม .6 แล้วเราต้องไปเรียนปริญญาต่อไม่ใช่กลับไปเริ่มต้นที่อนุบาลใหม่แต่ถ้าเรายังไม่ได้เข้าโรงเรียนนี้ต้องไปเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลก่อนแต่ถ้าเราจบม .6 แล้วเราต้องไปต่อที่มหลาลัยแล้วต้องไปเรียนระดับปริญญาตรีโทเอกแล้วคือต้องไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่ใช่ยังจะไปท่องเที่ยวตาม สถานที่สังเวชนีสถานต่างๆอันนี้เป็นเหมือนกับกลับไปเรียนอนุบาลใหม่มันก็ไม่จบสักทีอันนี้ไม่ห้ามไม่ว่าการใครไปก็มันได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์แล้วแต่คนไปว่าฐานะอยู่ที่ตรงไหนอ้าเป็นฐานะที่มันผ่านขั้นนี้ไปแล้วกลับไปอีกมันก็เหมือนกับไปเรียนซ้ำชั้น ถ้าเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงแล้วก็ไม่น้่งไปสู้ไปปีกวิเวกหาที่สงบดีกว่าตาใจ ย, ยังไม่สงบยังไม่มีสมาธิก็ไปหาที่สงบไปปีกวิเวกอย่าไปนั่งสมาธิตรองที่มีคนเป็นร้อยเป็นพันไปกันมันไม่สงบหรอกแต่ก็ไม่ว่าอะไรนะก็แล้วแต่เดี๋ยวจะหาว่ากัน พูดแบบสอนกันให้ให้รู้กันเผื่อคนที่ไม่มีเงินแต่อยากจะไปจะได้รู้ว่าเอ๊ะความจริงเราไม่ต้องไปก็ได้นี่หว่าในเมื่อเราเชื่อว่าพระพูดพระธรรมพระสงฆ์มีจริงแล้วเราจะไปทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆเอาเวลาไปปฏิบัติและไปปีกวิเวกดีกว่าไปหาวัดที่สงบเงียบปฏิบัติจะดีกว่าเราจะได้ไม่ทุกข์กับการที่จะต้องไปอินเดียเพราะคิดว่าถ้าไม่ได้ไปอินเดียเราจะไม่ไปไม่ถึงพ้นนิพพานก็ได้ คนบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ว่าถ้าไม่ได้ไปอินเดียนี่ไปไปถึงนิพานไม่ได้ต้องไปอินเดียกันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ความคิดที่ถูกไปไปนิพานนี้จะไปอินเดียก็ได้ไม่ไปอินเดียก็ได้ถ้าถ้าไปนิพานต้องไปอินเดียอย่างนี้นคนที่อินเดียมันก็ไปถึงนิพานกันหมดแล้วใช่ไหอ พวกแขกที่อยู่นั่นมันเห็นไม่เห็ น, ม, หนมันไปถึงนิพพานกันเลยมันก็ไปขอทานเวลาพวกเราเนี่ที่ขอทานเต็มไปหมดนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร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 ขรโยะหาสพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายยโกผวะอภิวาทนาสีิทษะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวโนสุขัง าล า, าลาวาลานะใครอยากจะกลับก็กลับได้ใครอยากจะอยู่ต่อก็อยู่ได้เดี๋ยวมีช่วงที่สองมีการถามตอบปัญหากันอ่ะเดียวกันใหม่เดือนหน้าไปทำฟันใช่ไหมครับ เปมองทําฟันใช่ไหมมอฟันใช่ไหมอืม็นไงคนก่ญเยอะัหมเยอะเลย ว, วั น, นหยค่ะแหละจริงๆตั้งหนูไม่ได้มีความคิดว่า จะไปอินเดียหรือไม่ไปไม่ได้มีความไม่อยากจะไปอ่าไม่เป็นไรหรอกไปก็ได้ไปไม่แต่ว่าพอดีน้องชายชวนค่ะออาก็เไปเป็นเพื่อนกันอ่ก็เลยได้จ่ายตังค์ไปแล้วค่ะเพื่อนของเรื่องก็ให้คนอื่นไปแทนก็ได้จะได้ทําบุญเขาส่งไอชื่อจองตั๋วเครื่องบินมาอเรียบร้อยอา่ะรย์ ลุงชายชวนเขาไปเป็นเพื่อนกันนะคะลุงชายเขาอยากไปใช่ไหมคะไม่เป็นไรไปก็ได้ไม่เสียหายอะไรจะเลยคิดว่าได้ไปเที่ยวสักรอบก็โอเคเราคิดว่าไปเที่ยวกันแล้วกันเนาะอย่าวิตกเนี่ยว่ายะคิดว่าเราว่าอะไรนะเราก็พูดแสดงด้วยเห็นด้วยผลนั่นเองจะไปก็ได้จะอยู่ก็ได้ คือพให้บางทีคนบางคนไม่มีเงินไปแต่อยากจะไปเพราะคิดว่าถ้าไม่ได้ไปเราจะไม่ได้บุญอะไรอย่างเงี้ยกเขาจะได้เข้าใจว่าถ้านั่งสมาธิที่บ้านได้ก็ได้บุญเหมือนกันไม่ต้องไปนั่งที่เดียรหรอกนั่งที่บ้านจะสงบที่สุ ด, ดใช่ไหมก็ไม่ค่อยสงกบกท่าที่บ้ <c oughs> านวางวางไว้ตรงนี้กองอะ หนังสือซีดีแจกนะต้องการก็หยิบได้แคุณพ่อสบายดีเลยพ่อสบายดีค่ะวันนี้ไปไปวัดแถวบ้านเพราะว่าวันพระจะไปสวดบนวัดแถวบ้านคไปทุกวันพะเลยไปทุกวันพระวันดีก็เลยไม่ได้มาด้วยกันพ่อเขาไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาอยู่ที่ไหนก็สวดได้ แต่เรายังต้องเลือกที่มาอยู่ยังเลือกที่าอามาก็ได้บางอย่างที่ที่วัดนู่นไม่ได้ไม่ได้ฟังทรอย่างนี้หรอกใช่ัหมไปสถานที่วัดที่ฟังครูบาาจารย์ที่ต่างกันแล้ว บุญกุศลต่างกันไหมคะอาจารย์ก็เหมือนกับไปเรียนหนังสือไปไปเรียนไปเรียนพิเศษจากสถานที่สอนพิเศษนั้นก็ต่างกันใช่ไหสถานที่สอนพิเศษบางแห่งเขาเขาเก่งเขาสอนได้ดีทําให้คนเรียนเข้าใจง่ายจำไนะบางแห่งสอนแล้วไม่เข้าใจก็เหมือนกันครูบาอาจารย์บางท่านก็แสดงทําได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน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 ก็สอนความจริงด้วยกันแต่มันการการแยกแยะการแสดงอะไรต่างๆให้เห็นด้วยให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนี่มันมันมีทักษะมันมีความสามารถพิเศษของคนสอนคนถ้าไปพังเทศจากพระพุทธเจ้าเชิงบรรลุ ก, กันง่ายไงเพราะพระพุทธเจ้านี่มีทักษะในการสั่งสอนมีอุบายมีการเปรียบเทียบอะไรต่างๆให้คนฟังนี่ ฟังแล้วจะเห็นภาพอย่างชาัดเจนคนที่เป็นชาวนาท่านก็จะเอาเรื่องของชาวนามาเปรียบเทียบให้ฟังปลูกข้าวปลูกอะไรคนที่เป็นนักธุรกิจท่านก็จะเอาเรื่องธุรกิจมามาพูดให้เขาฟังแล้วเขาจะได้เข้าใจคนที่เป็นหมอก็ต้องเอาเรื่องของหมอมาให้ฟังฟังแล้วก็จะเข้าใจง่ายขึ้นฉะนนคนจึงนิยมฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากัน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 อันนี้มีเข้ามากี่นี่ะคนนะมี Facebook มี326คนครับเออแต่ YouTube มี22คนครับที่ขึ้นไปถึง32นะครับเอ่อมีตรงนี้เข้ามาห่าวนี้ไม่มาไม่ไมาเลย Where are you Tony อยู่ last e e k คอ่ะมีมี Facebook นะ YouTube มีคําถามมนะั้ YouTube ยังไม่มีคําถามจาก Facebook มีเข้ามา เอาเลยเข้ามาเลยอออัีมีใครจะถามด้วยเครับอ่าถามก่อนนะขอเรียนถามพระอาา ค, ค่ะว่าถ้าเกิดเอเราภาวนาพุทโธได้สระยะหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆพุทโธมันหายไปมันไม่ทราบว่าไม่เกิดมันหายไปได้สองแบบหายไปเพราะเราขี้เกียจเราหยุดพุทโธไปหรือว่าหายไปเพราะจิตดวงสงบแล้ว<ส>นิ่งสบายมีความสุขมันก็อยากหายไปไม่ต้องพุทโธต่อไป ว่าถ้าเกิดเป็นแบบที่สองคือเราก็ปล่อยอา่าเราก็นิ่งสงบ ไ, ไ, ไ, ไม่ต้องเรียกกลับมาถ้ามันสงบมันมีความสุข ม, มันมหัศจรรย์ใจเวลาจิตสงบนี่มันจะว่างจะโลง่งจะเบาเหมือนยกภูกองภูเขาออกจากอกเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ต้องพุทโธละแต่ถ้าบางทีนั่งไปแล้งวง่วงหรือมันเผลอสติพุทโธหายไปแสดงว่ามันขี้เกียจละมันมก็ต้องดึงมันกลับขึ้นามาใหม่ถ้ายังไม่มีความรู้สึกอะไรที่แตกต่างจาก จากการนั่งเลยแลวเกิดเนว่างแลเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรไหมคะไม่นั่งสมาธิเพื่อรักษาความเให้รักษาให้ใจให้ว่างอพอเราต้องการให้ใจหยุดคิดเพราะเวลาคิดแล้วมันสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเราต้องการหันอยู่แบบไม่มีอารมณ์อยู่กับความว่างมันสบาย อ, ยาอใช่แล้วพอเราทําได้ต่อไปเวลาเราไปมีอารมณ์เราก็หยุดมันได้ ถ้าเวลามีอารมณ์เราก็เดึงใจให้กลับมาสู่ความว่างได้เพราะเรารู้จักวิธีเข้าเข้าไปสู่ความว่างนั่นแล้วความว่างมันเป็นที่หลบหลบภัยหลบความร้อนความวุ่นวายใจต่างๆเวลาใจเราวุ่นวายแก้ปัญหาไม่ตกก็ไปอยู่ที่ความว่างดีกว่ามีการยังกระทำอีกไหม อ่าขเียถอ่อถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเราทําสมาธิในขณะที่ไม่วุ่นวายอ่ะเราสามารถทำถดได้ทุกขณะถ้าเรามีกําลังที่จะหยุดความคิดได้แล้วก็ทําได้ทุกขณะทุกเวลาอให้่างอ่ใครรอบข้างอยากจะเกิดขึ้นเราไม่สนใจเราดึงใจเข้าสู่ข้างในมันก็ที่กาลังที่จะดึงเข้าไปมันมีหรือเปล่าส่วนใหญ่มันจะไปติดอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา แต่ถ้าเราฝึกดึงใจเข้าไปในความว่างบ่อยๆเราต่อไปเราก็จะมีกำลังเราอยู่ที่ไหนวุ่นวายเราก็ดึงเข้าไปข้างในได้เราก็พุทธพุทธของเราไปไม่ไปสนใจกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวใจเราก็เหมือนเข้าเข้าไปในถ้าส่วนเหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนอยู่นอกถ้า <c oughs> เหตเการณ์ตอนที่ทำงานอรืนอกข่ายประมาณ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 เอาหน้าใส่ไปในซองเอาใส่ไปในซองเขียนใมาจะร้อใครที่ทําใจให้ว่างได้เนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งคนคนมีความสามารถรักษาใจได้ไม่ให้ใจร้อนไม่ให้ใจวุ่นวาย <c oughs> อร้อนปั๊บก็นดิงเข้าไปข้างในความว่างก็เป็นเหมือนห้องปรับอากาศดีๆนี่ต่อใจไปเจอเหตุการณ์ร้อนๆขึ้นมาก็ดึงมันเข้าไปข้างในก็เย็นสบายเหมือนกันนะใส่้าไปเลยจะจะแยกมีแรกด้วย ก็ไม่ต้องทําหรอกไปเอาคืนไปเถอดไม่เอาไม่ต้องหรอกนีุ่่งยากกว่าไหมมาแยากยากเยอะมันแลกไม่ได้หรอกอไม่มีเหรอมมีันแลกไม่ได้หรอกเงินของคนอื่นก็เราไปแลกกันเนี่ไม่ต้องทําก็ได้กลับมาทัางทีไม่ได้จัง มันยุ่งยากก็อย่าไปทำเลยไม่ต้องไปทำหรอกนาเขียนชื่อให้ด้วยขอบุหลายเลยชื่อด้วย <c oughs> ชื่ อ, อานางวิไลขตจวน ขดชวัดนีนามสกุลสมเด็จพระสังฆราชใช่ปะะเป็นญาติกันเนี่ยชวัควอันนี้คนเมืองการเนี่ยฮญาติกันเหรอสมเด็จพระสังฆราชก็ชื่อจเจริญัดชวัดเนี่ย ขาเช่ล um. <laughs> oh ืมไปแม่าเชานา้องนนแเขยนผิดเน่มอยากเขียนก็แบบนี้ก็ได้ก็ได้จัดตามนี้นี่ค่ะอ๋อา อ๋าสวัสด <c oughs> ีตรงตกงาตรงน้าตรวางไว้สาวถุอ่าไอสุขใจเจริญนะไปไปสวรรค์ ่ะอทุกๆคนลาง ะ, ะคะถามว่าม า, มาอาการเ อ, อ่อหัวใจเต้นแรงอยู่เลยค่ะเราเราก็บริการพุทโธพุทโธจะค่ะแล้วอา ก, การอืดเต้นมันจะหายไปแต่ว่าทําไมเข้าวตาเช้ายังหลอกยังเป็นอยู่อ่อมันเป็นก็ต้องพุโทโธไปเรื่อยๆถ้ามันหยุดพุดโทโธมันก็เป็นหมายาได้ มันไม่ได้แก้แบบถาววออเป็นบ่อยก็ต้องพูดโทบ่อยมันปวดหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดพอเป็นนีกก็ต้องกินอีกครับก็จะให้มันหายเต้นอย่างถ้าววนก็ต้องใช้ปัญญาก็ถามว่าเต้นเพราะอะไรตื่เต้นกับเรื่องอะไร ื่นเต้นกับเรื่องอะไรก็ตัดมันไปเลอย่าไปยึดไปติดมันมันก็หายตื่นเต้นมันเป็นเหมือนอัตโนมัติค่ะยิ่งมันมีเหตุไงมัตอนนั้นมันก็ต้องมีเหตุมันต้องไปเห็นอะไรมันถึงจะตื่นเต้นใช่ไหมเป็นสัญญาเก่าหรอเก็ได้คิดถึงเรื่องเก่ามันก็ตื่นเต้นขึ้นมาได้เห็นรูปใหม่เห็นเสียงได้ยินเสียงใหม่มันก็ตื่นเต้นขึ้นมาได้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 ถ้ามันจะต้องตายก็ให้มันตายไปคือเราทําทั้งสองส่วนไงส่วนร่างกายเราก็ทําไปพยายามให้มันเอว่ามะผีกลับมาหาเลคือแต่ถ้าต้องเลือกระหว่างรักษาร่างกายกับรักษาใจก็เอาใจถ้ายังเลือกทั้งสองอย่างได้ก็รักษาไปทั้งสองส่วนร <c oughs> ่างกายยังรักษาได้ก็รักษาไป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 ก็อะไรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะหายก็หายมันไม่หายก็มันจะตายก็ให้มันตายไปอย่างพระอาจารย์ต่างๆพระป่านี่ท่านไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลกันท่านก็ ร, รักษากันไปตามมีตามเกิดมียาสมุนไพรมีอะไรก็รักษากันไปไอ้เรื่องที่จะให้ไปผ่าไปตัดนี่ท่านไม่ค่อยทํารอกท่านรักษาพอพอที่จะรักษาได้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 คำถามจากคุณเหมาการขายกองดักหนูเป็นการส่งเสริมการฆ่าใช่ไหมครับถ้าเป็นกองที่ไม่ไม่ฆ่าก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ส่งเสริมกองที่จับมันให้มันอยู่ในกองไม่ใช่แบบที่มีไอไออะไรตัวที่ตัดคอมั น, นี้พอมันไปแตะเหยื่อปับ๊บมันก็ตัดคออะไรอย่างเงี้ยของที่ทำให้มันตายนี่ก็เป็นของที่ไม่ควรที่จะทำ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 เึงจะเปลี่ยนได้มันไม่ได้เปลี่ยนแบบง่ายๆเอาวันนี้มีอะไรว่าเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวเสียงอ่ะปิดกันให้หมดนะคำถามต่อไปจากคุณสุวัฒนานะครับเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิแล้วแวกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ควรทำอย่างไรดีคะ ก็แสดงว่าสติเรามีกําลังน้อยนั่นเองก็ต้องดึงกลับเข้ามาที่สวดสวดให้ช้าลงก็ได้สวดแบบมีสติคืออย่าสวดแบบใจลอยสวยดไปสวดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บังคับให้มันสวดทุกคําพูดเลยอะนะโมตัสสะภะคะวะโตเนี้ไปอย่างนี้เลยถ้ามันสวดเดีวแล้วมันลอยเป็นไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ลองเอามันช้าๆเลยเอาทีละคําเลย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 แต่ จ, จะผิดประเพณีเพราะสมัยนี้ประเพณีของชาวพุทธเราก็มีความเคารพพระพุทธรูปมากเนี่ย <Yeah. S 1> ยิถ้าเราไปวัดไปอะไรที่มีคนเขากราบกันแล้วก็ควรจะกราบกัน <Yeah. S 1> เพื่อไม่ให้เสียประเพณีไม่ให้เสียมารยาทเท่า <Yeah. S 1> นั้นเองแต่เราไม่กราบก็ได้เพียงแต่ว่าอาจจะทําให้คนที่เขากล่าบด้วยคนเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเรา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 คาหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะอีกหลายปีอีกร้อยร้อยหลา ย, ล ย, ลายพันปีก็ได้เดินไปเกิดในตรงประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้เช่นไปเกิดที่ที่ประเทศ ท, ท, ท, ที่เขาไม่มีาศาสนาพุทธกันมันก็ไม่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอกันได้งั้นอย่าไปอธิษฐานแบบนี้ดีกว่าอธิษฐานว่าขอให้เอาประโยชน์จากพระพุทธศาสนาในชาตินี้ดีกว่า ไห้สําเร็จประโยชน์ให้ได้เพราะเราได้พระพุทธศา ส, สนาแล้วเรายังจะไปกังวลทําไมกับเรื่องข้างหน้าแต่เราเอาพระพุทธศาสนามาทําประโยชน์มันก็เสร็จประโยชน์ได้ในชาตินี้เลยมันก็เลยไม่ต้องมากังวลกับชาติหน้าว่าจะได้เจอพระพุทธศาสนาหรือไม่มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วกลับไม่ตักตัวงประโยชน์ตักตัวประโยชน์ก็เพียงนิดเดียวแค่ทําบุญอย่างเดียว ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติทํามไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่บวชกันอย่างนี้ต่อให้เกิดพบเจอพระพุทธศาสนาอีกร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่มันก็ไปไม่ถึงเจอทีไรมันก็ขอแค่ทําบุญแล้วก็ขออธิษฐานว่าให้ได้เจอพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆเจอคราวนี้ก็ทุ่มมันไปสุดชีวิตเลยสิมีเงินที่หน่าตักเท่าไหร่ก็ใส่ไม่เข้าไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยถ้าแทงหวยก็มีเงินเท่าไหร่มั่นใจว่าถูกแน่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 มันไม่อยากให้เราปฏิบัติมันไม่อยากให้เราฆ่ากิเลสกิเลสมันอยากจะหลอกให้เราเอาไปกับมันเรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณประวิทย์ครับลูกชายอายุหกขวบผมจะเริ่มต้นให้เข้าธรรมะด้วยวิธีใดก่อนครับตอนนี้เริ่มสวดมนต์ก่อนนอนแล้วครับก็พาเข้าวัดบ่อยๆฮะพาเข้าวัดทุกวันพระวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดก็พ า, พาลูกเข้าไปทําบุญตัวเราก็ทําบุญ ครอบกลัวเราก็ทาบุญมันต้องฝึกด้วยการกระทาพูดอย่างเดียวไม่ได้พูดแล้วตัวเองไม่ทาเหมือนแม่ปู่สอนลูกปู่อยนสอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่เองก็เดินเฉยไปเฉยมาสอนให้ลู ก, กเข้าวัดทาบุญอะไรแต่พ่อก็ไปนั่งดื่มเหล้าไปนั่งดูฟุตบอลเนะื่อไปเที่ยวตามสถานที่เที่ยวต่างๆอย่างนี้ก็มันเด็กมันก็ไม่ทาตาม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 ถ้าพ่อแม่ไม่ไปวัดลูกก็ไม่ไปวัดคำถามต่อไปจากคุณวรพัทน์ครับระดับเทวดาระดับภูมหรือระดับสกิจตาคามีสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมครับทุกระดับน่ยถ้าถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องมันก็จะไปถึงว่านิพพานได้ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไปไม่ได้เหมือนเน้นปริญญาเนี่ยคน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 จะเป็นเทวดาเป็นพรมหรือเป็นพระ อ, อริยะบุคคลขั้นไหนก็เหมือนกันยังต้องปฏิบัติต่อถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปถึงขั้นสูงสุดได้คะคำถ า, าต่อไปจากคุณแชชเชมครับผมถูกเพื่อนและอาจารย์ตนเองโกงและใส่ร้ายเพื่อให้ได้บ้าน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 ทำบุญระหว่างคนเป็นกับคนตายอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครัหมายถึงไงอ๋อคนตายเราทําบุญแล้วอุทิศไปใช่ไหมอ่ามันอยู่ที่เงินที่เราทำอเราทำร้อยบาทกับคนเป็นแลอคนตายเราก็ได้เท่ากันมันอยู่ที่จํานวนเงินที่เราเสียสละไปไม่ได้อยู่ที่คนรับกันยังไหมคนรับจะเป็นคนเป็นแลอคนตายนี่ไม่เกี่ยวกัน เกี่ยวที่เงินของเราเราสละได้มากเราก็ได้บุญมากสละได้น้อยก็ได้บุญน้อยคาถามต่อไปจากคุณจิรายุครับตัวกระผมยังเกี่ยวข้องกับทางโลกและการทามาหากินแต่ในจิตใจลึกๆแล้วรู้สึกถึงความวุ่นวายในจิตใต้สันนึกก็ต้องการหลุจดจากวัตตานี้มากมีโอกาสก็ไม่เคยปล่อยใจให้ว่างจากภาวนา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 แต่ถ้าขับรถที่อยู่ใต้ทางด่วนนี้รถก็เยอะทางทางแยกก็เยอะไฟแดงก็เยอะมันก็ไปไม่ได้เร็วยิ่นถ้าเราอยากจะไปเร็วทางปฏิบัติธรรมเราต้องไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกแล้วเราจะเจริญสติดได้อย่างต่อเนื่องแล้วนั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วได้นานบางคนถึงนิยมกันไปปีกวิเวกกันสาหรับคนที่ปฏิบัติธรรม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 แต่มีบุญมีกุศลก็ตอนที่เป็นเนี่ยตอนที่เราอยู่กันเนี่ยทําไปเถิดบุญกุศลนี่ทํากันตอนตายแล้วทําไม่ได้คนอื่นก็มาทําให้เราไม่ได้จัดงานศพให้เรามีมหโหระทศมีสมโพธิเจ็ดวันเจ็ดคืนมันก็ไม่มีเหมาะบุญกุศลกับคนตายแต่อย่างใดคำถามต่อไปจากคุณดูสิตาครับถ้าเราป่วยไม่สบายไม่สามารถลุกขึ้นมาสวดมนต์หรือนั่งสมาธิได้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 อย่ให้รีบทําตอนที่ยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นอะไรจะดีกว่าเ น, นี่ยตอนเนี้ยตอนที่ไม่เป็นอะไรสบายก็กลับไปเที่ยวไปเล่นกันไปอินเดียกันไปนู่นมานี่กัน <c oughs> พอไม่สบายแล้วก็จะมาภาวนาโอ้ยภ <c oughs> าวนาตอนที่มันสบายสิมันจะได้ผลได้ได้ประโยชน์มากกว่าคำถามต่อไปจากคุณตันหาเพราว่าตันหาวิภาวะตันหานะครับการแผ่บุญ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 มันไม่รู้ว่าแผ่ได้หรือเปล่าจากการที่เรานั่งสมาธิกันแต่อยากจะแผ่ก็แผ่ไปไม่ห้ามแต่จะไปถึงคนรับหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ที่เขาทำแล้วแน่นอนได้แน่ได้อย่างแน่นอนก็คือเวลาทำบุญแล้วกวดน้ำไปเนี่ยอุทิศบุญไปพอบุญเราทำปั๊บจิตใจเราก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเราก็แบ่งความสุขนั้นให้แก่ผู้ที่ตายไปได้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 เอาบุญจากการทำทานดีกว่าแน่นอนกว่าคนที่เขารอก็จะได้รับไปได้เรามารอจากการนั่งสมาธินี่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจิตใครรวมแล้วยังนั่งสมาธิกันมาเนี่ยถ้าจิตยังไม่รวมมันก็ยังไม่เป็นความสงบที่แท้จริงคำถามต่อไปจากคุณเชตุริศนะครับลูกขอถามพระอาจารย์เรื่องลูกสาวตอนนี้ลูกสาวอายุสิบกปีเรียนอยู่มสี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 คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณชุติมามครับแล้วกี่ข้อยังมีอีกเยอะเครับเลยเอาสักสามข้อก็แล้วนะวันนี้ช่างจะเหนอยแล้วคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณชุติมามีคนทําให้โกรธแต่สมาธิมาทันนิ่งแทนแต่ในใจยังเคืองอยู่เจ้าคะ่ะแบบนี้ถือว่ายังสอบไม่ผ่านใช่หรือไม่เจ้าคะ่ะก็ได้ขนานไม่เต็มร้อยแตยังก็ยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่มันก็จะได้เต็มร้อยก็พยายาม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 แตทนิ่งแบบถึงเวลาต้องทํางานแล้วตัวเองก็หลบไปกินกาแฟไปอ่านหนังสือพิมพ์ทนิ่งแบบนี้มันก็เห็นแก่ตัวมันมุกอยู่ที่วันมันนิ่งแบบไหนฮะอ่ะสุดท้ายครัแต่คุณนาโนครับอานาปานสติวิปัสนายานทั้งสี่สอดคล้องสัมพันธ์กันไหมครับปฏิบัติอย่างไรครับคืออานาปานสติก็คือการฝึกเจริญสติเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้เป็นสมาธิ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 คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวจะปล่อยให้ญาติโยมกลับไปอินเดียแล้ว <c> ก <oughs> <c oughs> ็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำนงสิ่งนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเานั